ทรงปรารบภิกษุณีสุนทรีนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทากำหนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนัดถามในปาราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปัปณะบัญญัติอยู่หรือตอบ ในปาราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปันณบัญญัติถามมีสัพพัทบัญญัติประเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาสาธารณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอาสาธารณะบัญญัติ ถามมีเอกาโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกาโตบัญญัติถามบรรดาพระปาติโมกขุเทศสี่อุทเทศปาราชิกสิกขาบทที่หนั้นจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุทเทศไหนตอบจัดเข้าในนิธานุทเทศนับเนื่องในนิธานุเทศถาม มาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนตอบมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สองถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีละวิบัติถามบรรดากองอาบัตเจกองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตปาราชิกถาม